ชาวนี้เราจะได้รับฟังธรรมะจากหลวงพ่ออาจามาก็ถามหลวงพ่อด้วยเพราะว่ามีผู้ชอบถามผมว่าการมีจติอยู่กับกายแล้วมันจะเกิดสมาธิยังไงแล้วมันเหมือนกับไม่รู้อะไรแล้วมันจะเกิดปัญญาอย่างไง ได้รับคำถามเหล่านี้ยาวนานมาห้าหกปีแล้วครับพระราชมุนหลวงพ่อครับก็ทุกคนก็มันเหมือนกันนั่นแหละเราสร้างสติดูกายมันก็เหมือนกัน มีสติดูกายมันก็จะเห็นความหลงมันตรงกันข้ามนะความรู้สึกตัวกับความหลงมันตรงกันข้ามความรู้สึกตัวเนี่ยสร้างให้เกิดสัมมาสมาธิสัมมาสติเหมือนกับเครื่องตรวจเครื่องตรวจสอบจริงที่ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม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 ตัดเล็บเล็มเล็กๆอยู่ในกล่องเข็มเย็บผ้าที่คุณโยกิซื้อให้นานแล้วสิบกว่าปีมีเข็มมีด้ายมีเอ่อมีตัดตัดเล็กๆเท่ากับเช้นยาอะไรก็ว่าไดนะนะ้เขาก็เขาก็ตรวจ ตรวจแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันมันลืมไปว่ามันมีเม็ดเขาก็ทำเนี่ยมือบีบปั๊บๆอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาก็บอกว่าไม่มีไม่มีเขาก็เอาอันนั่นไปตรวจเอาอันนี้ไปตรวจเขาเหลืออันเดียวคือกล่องเข็มเย็บผ้าแล้ว เ, เลยไปแกะเขาก็เลยให้เราแกะดูแกะดูก็เห็นเม็ด ต, ตัดเล็บเล็กๆโอเขาก็เอาหลอกเราคงเอาหราะ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 โชว์กว่าอย่างอื่นถ้าถ้าได้ตรวจสอบถ้าไม่ยังไม่ได้ตรวจสอบวันอื่นจะโชว์ความและความสังความไม่ตกกังวลโดยเพราะความหลงโชว์ไม่ค่อยจะรู้จักถ้ามีสติเนี่ยความหลงความทุกเนี่โชว์ออกหน้าออกตาเป็นการที่จะทำให้เกิดการเข้าถึงวิธีการที่จะได้เห็นอเลียสัตว์สี่นะ เห็นเอเลียสัจสี่แล้วคำถามที่ว่ามันเกิดสมาธิ ต, ตรงไหนมันเกิดปัญญาตรงไหนอันนั้นแม่นตอบก็ตอบไม่ถูกหรอกผู้ปฏิบัติจะต้องเข้าไปเห็นเองเป็นไม่มีเคยพูดอยู่เสมอว่ามันไม่มีคำถามม <c oughs> ันมีแต่คำตอบอันเป็นสัจธรรมจริงจริงมันเป็นแต่คำตอบ คำถามว่าจะไม่เมสมาธิตรงไหนปัญญาอย่างไรทําลายความโลภความโกรธลงอยากไรแม้แต่ตอบก็ตอบให้ถูกถ้าผู้ที่เจริญสติโดยตรงนะตรงไหนมันเป็นความหลงตรงไหนมันเป็นความลูกเขาจะลูกจากดําเนินไปเองก้าวไปเอง หลงทีเลยเขาก็รู้เพราะความรู้มันมีอยู่แล้วความรู้สึกตัวเราสร้างขึ้นมาแล้วมันมีวัตถุตรวจแล้วเวลาใดที่มันหลงก็รู้ขึ้นมาการที่เขาใส่ใจที่จะให้เกิดความรู้สึกตัวอยู่เสมอโดยเฉพาะการเจริญสติตามหลักของสติปัฏฐานกายปะภะสัมปชัญญปะปพะกิจปพะคือการเคลื่อนไหวของกายของกิจ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 ไม่ใช่สมาธินั่งหลับตานั่งสงบไม่ทําอะไรอันนั้นมันไม่ใช่ไม่ใช่สมาสมาธมาิมันจะเกิดสมาถะอันนั้นจะเป็นสมาถะสมาธินี่มันก็เป็นรูปเป็นแบบ <c oughs> อยู่ในกรอบอยู่ในร้ำอยู่ในที่ทับที่กดเอาไว้ข่มเอาไว้ใส่กรอบเอาไว้ใส่กล่องเอาไว้อันนั้นเป็นเป็นสมาถะ ใส่กล่องเอาไว้กดเอาไว้ปิดเอาไว้แต่ว่าสมาธิเนี่ยไม่ต้องไปใส่กล่องแบบนั้นมันใส่ใจที่จะรู้อยู่เสมอเอาของจริงมาลู่เอาของไม่จริงมาลู้เอาของผิดมาลู้เอาของถูกมาลู้เอาของที่เป็นทุกมาลูเอาของที่ไม่เป็นทุกมาลู้สมาธิสมาธิตัวนั้นอะไรก็ตามมันจะเป็นสมาธิมันจะเป็นสมาธิ มันจะรู้มันจะเห็นของกิงมันก็เปลี่ยนเป็นของกิง่งของกิงมันก็เป็นของกิงของไมกิ่งก็เป็นของไมกิง่งไม่มีอะไรหลอกสมาธิได้เห็นความหลงอ๋อมันหลอกความรู้ไม่ได้เพราะมันมีสมาธิมันทําเป็นแล้วหลงทีไรก็รู้นลยสัมมาสมาธิมันทุกข์ทีไรก็รู้เลยสัมมาสมาธิ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 ปัญญากับศีลโมเน่มันเป็นอันเดียวกันเหมือนกับเราเปิดกล่องปิดกล่องมันอันเดียวกันหรือเหมือนกับเรากินข้าวที่เราว่ากินข้าวที่จริงมันไม่ใช่กินข้าวอย่างเดียวมาพร้อมกันทั้งกับทั้งผักทั้งอะไรต่างๆแต่ไกินเนี่ยมันไม่ใช่การขบการเที่ยวอะไรที่มันแยกมันย่อยมันแยกอยู่ตรงนั้นแล้ว ก็อิ่มแล้วก็สําเร็จในความอิ่มอิ่มก็อิ่มจริงๆความอิ่มก็ต้องไม่ต้องไปถามใครมันอิ่มเราเองเพราะเขาก็ลู้มจะเขาอิ่มเราเองเวลาเขาหิวเขากลู้มจะเขาหิวเขาก็ลู้จะกกินนี่การเจริญสติที่เป็นสติดูกายดูกิจเนี่ยมันเป็นของดุ้นดุนทันทีแล้วมันก็ใช้ได้ เวลามันหลงมันก็ใช้ได้มันเกิดความรู้สึกตัวมันใช้ได้จริงๆงความรู้สึกตัวสติมันก็ใช้ได้จริงๆงสมาธิมันก็ใช้ได้จริงกริงถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิเขาจะไม่เห็นความหลงไม่เห็นความทุกข์ไม่เห็นความรู้ไม่เห็นความอะไรต่างๆเพราะมันใส่ใจอยู่เหมือนเราใส่ใจอ่านหนังสือมันก็อ่านหนังสือรู้ความหมายของหนังสือททําปฏิบัติตาม เราขับรถไม่ไอยจ ะ, ะจรอจอนเราอ่านเราก็รู้เราก็ปฏิบัติตามตามันอ่านตามันเห็นมันก็อ่านมันอ่านมันก็ขณะที่อ่านมันก็ใส่ใจอ่า น, นก็เป็สติเป็นสมาธิเป็นปัญญาเอาตัวรอดได้ <c oughs> สมาธิแบบนี้เป็นสมาสมาธิสมาธิที่นั่งหลับตาอยู่ที่เดียวปิดห้องปิดประตูอยู่ในถ้ำ อันนั้นไม่ใช่สมาธิมันเป็นสมาธิทำให้ฝึกสมาธะเล่นอยู่ในสมาถะสงบอยู่เช่นนั้นโดยที่ไม่ค่อยมีงานมีการก็ทําแบบนั้นได้ถ้าจะให้พวกเราไป อ, อยู่ยนั่นก็ได้ไปนั่งสงบอยู่ในร้ำในเขาเอ้าปฏิบัติแล้วรู้ทำแล้วไปปลีกตัวปลีกวิเวกไปอยู่คนหนึ่งคนเดียวมันก็ได้ ผมเคยพูดให้ใครนอฟังจะไม่ได้ถ้าจะหาความสุขแบบนั้นนะไม่มีใครมีความสุขเท่ากับกับผมหรือเท่ากับหลวงพอ่อถ้าจะหาแบบนั้นนะไม่มีใครมีความสุขเท่ากับเราถ้าจะเอาแบบนั้นไม่เอางการเอางานไม่เป็นสัมมาสติไม่เป็นสัมมาสมาธิไม่เอาการเอางานสัมมาสมาธิมันเอาการเอางาน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 สิ่งที่ไม่เป็นธรรมเมื่อมีสมัมมาสติสัมมาสมาธิก็เกิดความเป็นธรรมเกี่ยวกับอะไรก็ได้นะพราะนั่นจึงไม่ไป น, นั่งอยู่ในถ้ำในเหวอยู่ในถ้ำในกติในป่าในดงพงไผ่ที่ไหนก็ต้องมาช่วยกันมาช่วยกันช่วยเราช่วยคนอื่นไปในตัวเสนะร็จจึง จึงถ้าจะว่าเรามันมีความจำเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิหรือปัญญาหรือสินสมาธิหรือปัญญามีความจำเป็นใช่ให้มากๆใช่กับเราใช่กับคนหนนสัมมาสติสัมมาสมาธิหรือสินสมาธิปัญญาเป็นอาวุธเป็นวัตถุประกอ์ที่จะนำไปใช้กับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้ปลูกต้นไม้ ลดน้ำต้นไม้ดูแลต้นไม้ต้นไหนที่มันเหี่ยวต้นไหนที่คนติดจะช่วยก็มันโกง่งมันเ อ, นอ็นก็ปลักไปปลอกเอาเชือกไปผูกอมันช่วยอย่างไรมันไม่ทิ้งมองต้นไม้ก็เห็นอต้นไม้ขอความช่วยขอร้องให้เราช่วยเหลืออมันเกิดสมาสติสมาสมาธิมันช่วย เห็นผู้เห็นคนก็ช่วยจิตจะช่วยเขามาหาเราก็ยิ่งดีถ้าเขาไม่มาเราจะต้องเดินไปลองวัดป่าสุขโตไม่มีใครมาเนาะต๋งก็ไม่อยู่หรอกที่นี่โอ้อยู่ไม่ได้จริงๆแกอยู่ทําไมก็ต้องไปหาสอนคนไปหาช่วยคนไปหาบอกคนอยู่ไม่ได้แน่นอนถ้าไม่มีใครมานี่ จึงเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นศินเป็นสมาธิเป็นปัญญามันโดยตรงแล้วมันก็ใช้ได้เมื่อมันหลงรู้สึกตัวมันใช้ได้เหมือนเราไม่เข้าเวไนไม้อาหารเจ็บไว้เวลามันหิวมันก็จินนะเวลามันหนามก็อาบน้ําเวลามันร้อนนก็เวลามันหนาวมันก็ห่มผ้าเวลามันร้อนก็อาบน้ํา มันปวดหนักปวดเบามันก็ไปทําให้หมดทุกข์หมดเรื่องหมดราวไปสตินี่ครอบคุมชีวิตสติถ้าพูดแันเดียวคือสติอาจจะว่าอะไรมันก็อยู่ตรงนี้ทั้งหมดสติทั้งอศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งสัมปชัญญะทั้งความอดทนทั้งเมตตาทั้งให้อภยัยทั้งออะไรต่างๆ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 ไก่คนเจ๋เจ exactly ่โซหลุดลกไปแล้วก็เห <t> ็นเห็นอะไรก็หลบได้หลีกได้เห็นโทษเห็นพิดเห็นภัยหลบได้ไม่ใช่เขาหมัดมือชกคนไม่รู้สึกตัวเหมือนเกือบถูกมัดมือชกเอามือคว่ยหลังแล้วก็ชกหน้าเอาชกหน้าเอาเจ็ปวดร้องไห้หัวละอกโศกโศกคือคนถูกจำจองเอาไว้ ถ้าเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยรู้หลบเป็นปีกรู้เหลิกเป็นหังมันหลงเราก็รู้เนี่ยมันทุกข์เราก็รู้เน่ะมันโกรธเราก็รู้เน่ะมันร้อนมันหนาวมันปวดมันเมื่อยมันเป็นอะไรเราก็รู้อยู่ยช่วยทั้งตัวเองได้ช่วยคนอื่นก็ได้ช่วยสิ่งอื่นวัตถุอื่นก็ได้เนี่ยนั่นแหละ ส, ม า, สมาธิทำอะไรที่เป็นความชอบเกิดขึ้นความชอบไม่ช่วยเกิด อยู่ในท่านั่งสงบเรามชอบจะต้องแสดงออกทางกายแ ร, ระคำวิกิคัมโนกับไม่ปากก็ต้องพูดไม่ตา ก, ก็ต้องดูไม่หูก็ต้องฟังมีกายก็ต้องด้จักช่วยจักเหลือทำหนักให้เป็นเบาทายากให้เป็นง่ายด้วยมือด้วยแรงด้วยกำลังของเราไปบอกไปสอนช่างพูดช่างจาช่างบอกช่างสอนอืมต้องแสดงออก กายกรรมวาก่กรรมมโนก ร, รมให้เป็นเกิดผลหมดทุกข์หมดยากเราสอนคนเจริญสติเราก็ทำให้เขาดูนันยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมให้เขาดูให้เขาทำตามเราเป็นครูครูตัวชองแสดงถ้าไปนั่งหลับหูหลับตาให้เขาดูนะ ไม่ทำอะไรนั่งปิดตาอยู่เป็นวันเป็นเดือนปิดประตูเอาไว้ปิดประตูแล้วยังไม่พอยังปิดตาเข้าไปอีกปิดตาแล้วยังไม่พอต้องหลับเข้าไปภายในเรื่อยๆไม่รู้เลยมันจะพัฒนาประเทศชาติได้อย่างไงต้องออกมาต้องลุกขึ้นพากันนัง่งยกุกเมืองสร้างจังหวะพากันเดินจงกลรมหากันไปปรุงอาหารพากันทําความสะอาดพากันดูแล วัตถุเสียงของพาคันดูแลกายใจพากันดูแลคนอื่นด้วยทางวานคุณหมอเทดุงก็ทความสะอาดเห็นตักน้ําละตาลราขอตใจคนเดียวกลางๆๆๆอ้าวเอาแล้วเอาแล้วคุณหมอเทดุงเอ า, เลาแล้วหลวงพ่อก็เดินผ่านไปเฉยเออพอจะต้องไปดูตนมาว่าจะไปช่วยอาจารย์สมชายหลวงพ่อชมชายปลูกมะพร้าว พอไปดูแล้วไม่เห็นถือกล่องนมไปถือถุงนมไปกลัให้เอาถุงนมไปป่ากันสมชายหลวงข้อสมชายพอไปดูป่าพอเด็กไปปลูกป่กรีบกลับมาาได้องนมไปดูจันสมชายหลวงพ่อสมชไปดูกล่าบมเองนมไปดูจันสมชายลลหลวงอสมชายอ่าเอเ็นแปล่บเอา้นมนมาพ่าปลูกรอบสลับอยต้นปลูกันาบว่าคนหมู่ไปช่วยด้วยใครไปช่วยด้วย ปูกตว่าปลูกคนเดียวอะไรต่าง1 0อยต้นโอ้โหเป็นประวัติศาสตร์เลยผมชวนบอกว่าวันนี้เราปลูกต้นมะพร้าวลอยต้นรอบโคศักปลูกแบบไหนปลูกแบบนั้นแบบนี้พอบอกกันแล้วกอติดเด็กติดอยู่กับเด็กงานกลับไปกลับมากลับไปก็เออเบยไม่ได้เลย พอเดินผ่านมาสลาเห็นคนหมอปะเถียงอ่างหมอไตโอ้เน่ต้องดูแลอย่างนี้สัมมาสติสม า, ส, ส, มาสมาธิถ้าเห็นความโสโปรกแล้วเลยไปสมมาสมาธิไม่ไม่เกิดมันก็หมกห ม, มมอยู่ตรงนั้นสมมาสมาธิต้องเป็นงานเป็นการช่วยสิ่งไม่ดีให้เกิดความดีช่วยช่วยสิ่งไม่ชอบให้เกิดความชอบขึ้นมา อะไรที่มันทําได้ปฏิบัติหลายแล้วทําได้มันสกปรกทําให้เป็นสะอาดแล้วก็ทําให้เกิดความสะอาดแล้วก็สะอาดได้เนยสมาสมาธิทั้งนั้นสมาสติทั้งนั้นสัมมาหรือปัญญาทั้งนั้นน่ยมันครบคลุมทุกอย่างครบวงจรศีล ส, สมาธิปัญญาสมาธิเนี่ยก็ครบวงจรเป็นพลังอ่านหนังสือก็รู้เรื่อง เอาเสียงเอาของเก็บกุญแจเปิดประตูเปิดหน้าต่างลู้เรื่องลู้ราวสมาสมาธิแล้วมันถ้ามันเป็นสมาสมาธิมันเป็นสมาสติไม่อะลิกะสมาสติสมาสมาธิสุดยอดเลยทีเดียวมากไม่ยอมไปสมาสมาธิสุดยอดแล้วทําอะไรสำเร็จนี่นอไม่ต้องไม่ต้องกลัวดอก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 ผ่นทุกตลอดที่สุดที่สุดที่สุดของชีวิตถึงจุดไมายปลายทางสำเร็จจนไม่มีอะไรทำมันไปข้างหน้ากลาเป็นการเดินทางสุดแผ่นดินแต่ว่าแผ่นดินมันไม่สุดมันโลกมันเป็นวงกลมเราไปข้างหน้ามันก็กลับเข้ามาเหมือนเดิมมันกลม มันหมดแดงไตขอบหมดลุมมันก็ไปทางเดิมไปทางเดิมเรานั่งเครื่องบินไปทางเที่ยวบนออกมันก็มาทางเดิมมันก็มาแบบนี้มันก็วนอยู่ไงอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราขี้ไปทางไหนมันไม่ถูกขี่ไปข้างหน้ามันไม่เที่ตรงแบบมันโค้งลงมาแบบ น, น, งงบนแต่เราขี่มันถูกก็ตรงเนี่ยตรงที่เรานั่งอยู่นตตเนี่ยไต้ขดเราเนี่ยเพราะนั้นคนที่ไปคนที่เจริญสติ ผู้ที่เจริญสติมันก็ไปข้างหน้ามันก็เอาอะไรว่ายหลังว่หลั ง, ลงของที่ผ่านหน้าผ่านตาของที่เอาว้ข้างหลังเพราะมันเห็นแล้วถ้าของที่อยู่ข้างหลังได้เพราะมันเห็นแล้วเห็นที่มันอยู่ข้างหน้าเอามาว่ข้างหลังบ่อยๆมันก็เกิดสมาสติเกิดสมาสมาธิเกิดปัญญาตรงนั้นไปพร้อมๆกันแล้ว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 เรื่องของกายของใจจะออกมาให้เราเห็นแสดงให้เราเห็นจนหมดเปลือกมันก็มีปัญญามันก็มีสติมันก็มีสมาธิมันก็มีปัญญาตรงนั่นแหละศีล ส, สมาธิปัญญาเหมือนก็นจักลุยไปเลยลุยแหลกไปเลยเหมือนคลาดเหมือนไถลุยพิกแผ่นดินไปเลยเป็นปุยเป็นผงไปเลยเรียบไปเลย อายไปเลยเหมือนกับแถวศาลาหอไตรแถววนเนี่ยก่อนเป็นป่าพงป่าหญา้าคาเอารถแท็กเตอร์ลุยไปเลยแหลกไปเลยแทบจะไม่ไม่มีหญ้าคาป่าพงก็มีต้นยางขึ้นมาแทนมันลุยไปแหลกไปรรมาจากักจักแห่งธรรมคือศีลคือสมาธิคือปัญญา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 เปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธมันก็ตายอยู่ในความโกรธตอมันทุกข์มันรู้จักเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์ก็ตายอยู่ในความทุกข์ตอมันหลงไม่เปลี่ยนความหลงให้เป็นความไม่หลงก็ตายอยู่ในความหลงมันเกิดมันดับมันตายอยู่มันก็หลุมฝังศพแห่งภพแห่งชาติแห่งภพแห่งชาติแห่งภพแห่งชาติอะไรก็ตายอยู่ตรงนั้นตายอยู่ตรงนั้น ไม่ตายคือไม่ตายอย่างนี้มันหลงไม่หลงมันทุกข์ไม่ทุกข์คือไม่ตายมันโกรธไม่โกรธมันเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับกายเจ็บใจเนี่ยไม่จนสักอย่างเลยนะสมาสติสมาสมาธิในอลิมัติไม่ใช่นั่งหลับตาไม่รู้อะไยไม่ใช่แบบนั้นแล้วเขาก็ขึ้นหน้าขึ้นตาถ้าปฏิบัติทำอยากให้มันสงบอ๋อหลับตาลงไยอ๋าวลีกรรมลงไย แล้วลงไปบริกรรมลงไปพุโทโธยบเนาะพองเนาะลงไปลงไปบางทีก็สงบบางทีก็ตัวแข็งได้กันหายใจสักหน่อยเพราะมันตามมัตามไรู้ไม่หายใจเนะลยคึบเข้าไปเลยตัวแข็งเข้าไปปฏิสเสธอะไรทั้งหมดระเบียดเนี่ยไม่รู้อะไออกมาหน้าซีดไปเลยอเสียศูนย์ไปก็ไม่อ่อนแอไปเลย ปลวกเปียกไปเลยอินซียอ่อนแดดม่สูโซ่่ายโซ่มันกัดต้นไม้อยู่ในร่มเอาไปปลูกกลางแดดเหี่ยวตายไปเลยเราหัดต้นไม้ต้นไมยละอ่อนก็ไว้ในร่มสักหน่อยแล้วก็ค่อยเอาออกไปกลางแดดอลํารีลําไรสักหน่อยเสียงแดด เอาจากพวกนี้ก็ไปว่ากลางแดดจริงๆแล้วก็ลดน้ำให้มันตั้งตัวแล้วมันก็แข็งแกร่งหรือตรวมน้อยกลางแดดก็หัดเอาเข้าในร่มในแดดลําไรลำไรกลับเข้ามากลับเข้ามาเอามาวในล่มในร่มในร่มจนไม่มีเสีงแดดมันก็ปรับเข้ามามันก็อยู่ได้จะเอาว้ในห้องในบ้านในเรือนได้เราหัดมันเราหัดชีวิตของเรานะหัดให้มัน ลู่มันลู่มันลู่น่ยมันก็หัดได้มันอ่อนแอมเกิดความเช่มแข็งมันไม่ลู่เกิดความลู้ขึ้นมาเกิดประสบการณ์เกิดปวดเรียนเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญามันก็ได้ปัญญาได้สติได้สมาธิจากความเป็นจริงเนี่ยเราลู้ส <daha S 2> ึกตัวเคลื่อนไหวไปมานี่เคลื่อนไหวไปมานี่เราลู้สึกตัวเนี่ยเราลู้สึกตัวเราไม่ได้เคลื่อนไหวฟรีๆเราลู่สึกตัวเราลูสึกตัวเนี่ย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 ได้ความรู้สึกตัวเวลาสุขเวลาทุกข์ได้ความรู้สึกตัวเวลามันหลงได้ความรู้สึกตัวเวลามันได้ต่างๆอันที่มันเกิดกับกายกับใจมันเป็นปัญญาทั้งหมดเลยบัดเนี้ยแต่ก่อนมีปัญหาบัดนี่มันกลายเป็นปัญญาอย่างแนะนี่นะนปฏิบัติทาการเจริญสติปัฏฐานไปทางนี้รู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ทำได้อย่างนี้หลุดพ้นไปได้แบบนี้ ถ้าไม่เห็นมันไม่มีโอกาสที่จะหลุดพ้นได้สิ่งที่มันจะพ้นได้มันต้องเกิดการเห็นพ้นกายกายสวากายแล้ววะนะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราไม่เห็นทำไมก่อนเป็นกูความทุกข์ที่เกิดจากกูอยู่กับกายเนะี่ยอ้ยมากมายเห็นได้หลายอย่างเป็นกิเลสตัณหากูกูอย่างเง้เอากายเป็นเครื่องวัดเอากายเป็นเครื่องบ่งการ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 พอใจไหมอ๋อก็เอาแล้วนะพอแล้วก้าพระพรทธเจ้